สสุุานานานา น, า น, า น, านาอยากให้น้องนางมาเป็นคู่ครองฉันได้เจ้ามาครอบครองไอ้นี้สิจัดงานดองและหาเงินทองและงวัวคลวยให้ได้น้องนางมาเป็นคู่ใจให้เจ้ามาอยู่กับพายฟาดนี้หมดทั้งหัวใจเขามอบถาวายให้เจ้าคนดี โ, โแล้วจะทำมาได้ อไรนึกว่าสุปตาเธอทำฉันหลงแต่แรกเจอเก็บใจเอาไว้เพื่อเธออยากให้เธอเหลี้ยวมองใไอคนนี้อยากครอบครองใจใเธอแก้มของเจ้านั้นแดงเป็นเวรไ อ, นอคนนี้อยากบายเลือกเกินผู้จบผู้งามว่าต้องแต่งเสริมเดิมเดิมก็เกินไครแค่เพียงเธอ ม u n khen ใ h a y t า h a n h รับงานดองและหาเงินทองและงววัวควายให้ใจน้องนางมาเป็นคู่ใจให้เจ้ามาอยู่กับพายสา น, นี้หมดทางหัวใจเขามอบถวายให้เจ้าคนเดียวออะะบคืมแล้วนะเจ้าผู้สาวหลุดลุยแล้วขวยเถิบตัวบักไงเวลาเจ้ายิ้มยำได้มันบาดจะพุ่มเลือกเกินมันบาดจะเลือกเกินเลยถามแบบเขินๆว่าเจ้ามีแฟนแล้วบอ อยากจะคบแต่อยากจะหักมันไอต้องทำบุญสำไดเฮาจังชิได้คบกันหรือว่าโตาอนี้ต้องมีเงินเป็นพันแต่ถ้าเป็นแบบนั้นไอขอเวลาอีกหลายปีเพราะายนี้เป็นแค่คนธรรมดามีชีวิ ต, ติดดิ้นอยู่แต่ให้อยู่ตนาน เพื่อเจ้ายากสำได้ไอายกะหาจะยอมเจ้าทุกอย่างแม่จะต้องขายนาข้าดองเจ้าแพงสำได้ไอายบอว่าข้า พ, พูนปรารถนาอยากเดเามาคู่กายฮักเจ้าแห้งจังมันแพงเจ้าหลายมาเป็นของอ้ายเด้ออีลาคนงามเกียมของเจ้านั้นแดงเป็นเงินอ้ายคนนี้อยากบายเหลือเกินผู้จบผู้งามว่าต้องแต่งเสริมเดิมเดิมก็เกินไขแค่เพียงเธอยิม้มละมุนเกินใคร ตาหั่บาดใจงามลายผ่้สาวลายคือตั้งผู้งามกระดอโอโอเมนวลละอ๋อจะสั่งมุญยังมาเดนอนอผู้โต๊ผู้งามผู้ขาวแลทลักพันเม่นเจ้าโบมีคู่โต้ไอคนนี้ข้าอยู่จะคอยบังแง่และเดียง มุดทางหัวใจเขามอบเอาไว้ให้เจ้าคนดีก็จังมางามกระดองโอ้โอ้เมนู ล, ละอ๋อเจ้าสร้างบุญยังมาได้น้องกูจบผู้งามผู้ขา้าวแต่หละกันแม่นเจ้าบมีคู่โตอายคุณนี้ยังเ่าอยู่ที่คอยบ่ญญงแยงนะเลี้ยงดูให้แม่จงไว้หักนอก้องอยากได้น้องนางมาเป็นคู่ ั้างหัวใจขอมอบจาไว้เจ้าคนเดียว yeah.